ทาวิตตากท้าโรวงมาลัยในความอุปถัมภ์ของพระเดชพระคุณพระพิสารพัฒนาธรท้าวกิตตากเท้าโรวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครเสนอสารธรรมจากบทประพันธ์ของวสิณอินทศ ร, รัเรื่องพุทธจริยา ท่านนิดเกียวเมื่อเป็นดังนี้ฉะนั้นท่านจึงใช้เวลาให้มีอยู่น้อยนั้นสแสวงหาความสุขความสัมบานจากสิ่งอันรูปคลำสัมผัสได้ให้แก่ตัวท่านทําไมท่านจึนงมองมองอยู่ในสิ่งคี่ไม่มีใครขวังและแม้ท่านเองก็ไม่แน่ว่าจะได้พบถ้าเป็นอย่างนั้นจริงชีวิตของท่านก็สวยล่าว่าเสียดาย พระฤาษีบิาของท่านก็หังให้ท่านครองราช อ, อาณาจักรแทนพระองค์ปีนีพระเจ้าสุโทโธทนะก็ทรงพิจารามากแล้วทั่วไทยของพระองค์เต็มไปด้วยความมวาดหวีไร้หวังยโสธราและราหุเล่าก็ตั้ง ต, า, งตาคอยเฮไปท่านจึงมายินดีประพฤติมิตที่ควทั้งหลายก็ไม่ใหญ่ดีสมมุติว่าท่านประสบผลสําเร็จจะมีประโยชน์อะไรกี่มากน้อย จะมีใครเ ล, ลียวแลยินเดีฟังหรือปฏิบัติตามทางของท่านมันไม่ทางที่แห้งแรงปราศาจากความสนุกสนานรื่นเริงใดๆสิ่งที่ท่านส่องแสวงหานั้นแต่เพียงมายาและภาพฝันไม่ต่างอะไรกับการสร้างวิบานในอากาศ่ิสัยมรุษนั้นจงลด ก, กิเลสไ น, นไม่ได้เมื่อเป็นบนดีท่านควรใฝ่หาความสุขและความอร่ อ, อย เท่าที่ควมีกิเลสจะพึงแสวงหาได้เรื่องอะไรจะไม่ยอมตกกระทำลาบากอยู่ในป่าเพียงโดดเดี่ยวไม่มีใครดูแลหากท่านต้องตายไปในกรณีของท่านนั้นก็ต้องตายอย่างปราศจากคนหินใจท่านต้องจะสนอความสุขสันต์สียเต็มที่เถิดหากความตายมาถึงเข้าในระยะปลระยะหนึ่งของชีวิต ที่ะได้ไม่ต้อเสียใจในภายหลังหากท่างอยู่ครองขรว่านโอกาสที่ท่าจะเป็นใหญ่เป็นโตนั้นมีอยู่มากเลยเกินพระสิทัตถะทรงรู้ทนว่านี่คืองานเกที่คอยล้างฐานคุณความดีทุกอย่างของบคุคคลผู้มีความตั้งใจดีพระองค์ทรงหวงรักถืออุปการะของนานสุชาดาที่นํำข้าวมาทุกปลายา ข้าวที่หุงด้วยน้ำมันขครูมาถวายพระองค์ให้ทรงงดพระกำลังในยามเช้าเขาจะถวายพระองค์ด้วยจุกน้อยอันใดก็ตามเถิดแต่อาหารนั้นย่อมมีผลช่วยท่งเสริมกำลังของพระองค์ให้แรงกล้าในการกำจัดสิ่งชั่วร้ายในจิตใจให้หมดไปหน้าที่ของพระองค์ก็คือตั้งพยายามให้ถึงที่สุดเพื่อเป็นปฏิกรารแก่อาหารที่นอง น, นำมาถวายนั่นเอง เพื่อฐานของเขาจะได้ไม่เสียเปล่าแลแล้วพระองค์จีกเกอมาว่ามานเออยเราได้รู้จักท่านแล้วท่านนั้นในใจบาปต้องการให้เราเหมนอนกลับไปสู่โลกิยารมความสุขอันจบรมพรุบอยู่ในรถชะมียารมอันจะก่อให้เกิดแล้วเกิดเล่าแก่แล้วแก่เล่าเจ็แล้วเจ็บเล่าไม่มีที่สินสุด ท่องได้รับความทุกข์ทรมานนาดาประการในโลกอันธามโหดร้ายเราไม่ต้องการหมุนกลับอีกแล้วจิตของเราจะมุ่งไปข้างหน้าไม่ถอยหลังความเป็นใหญ่เป็นโตที่ท่านกล่าวถึงเล่าก็รู้แต่เป็นมายาไม่มีอะไรเป็นสาระแก่งสารนี้แต่จะเผาลนตนเองให้ดือดร้อนต้องคอยรับบาปแทนคนอื่นมนุษย์แห่โลกนี้ถ้าใจยังไม่ ทุกเมกื่อมีความขัดแค้มากพระองค์ได้เคยผ่านมาแล้วสมจริงตามที่พระองค์ทรงเล่าเกี่ยวกับสุสไลเมื่อประกาศสดในว่า ก็คงประราประโรมพระองค์ต่อไปด้วยเสียงเพี้นอันไพเราะและการร่ายรำด้วยท่าทางที่ยีหยวนมีข้อความว่า พึ่งพันอวนดวงกไทยให้ไฟในสเสนหากามาลมความสําราญบางใจไม่มีค่าเท่าเห็นกายาหญิงไร้สิ่งหม่มเพราะได้เห็นลูกโฉมน่าโลมชมด้วยความกลมกล่อมสะอางอย่างยิยวนความคลมกล่อมย่อมนําความกมํกมมาหนัดเร้ามนัดเร้าตัณหาพาปันปวนเร้าโลหิต รั้วกรสัให้รัจวนท้งเส้นล้วนรั้วให้ใจเพื่อนฟูฤทิพ ร, รา้วเตือนเหมือนได้ไอสว ร, ร์คือพุชันที่พระเจ้าอยากเข้าสู่ก็เยตัยโคดมบรุมครูจะไม่รู้ทางไปที่คล้ายกันกลับมานั่งทรกรรมทนลำบากไม่เสียจากร้้วใจให้กระสัน หรือสุกามารมไม่สมกันกับสวรรค์สุกซึ่งจะพึงดนใครเด็ดร้อนเพราะกร น, นารีกดสามออยอดอให้สุกทุกุงขนสุกที่นี้ควรไฟหาใสาตนทั่วสาวกลพบปลาหาง่ายเอ่ย เขาของเจ้าแล้วเจ้าเกิดขึ้นจากความดมฤตินี้เองเราจะไม่ดมฤติถึงเจ้าอีกด้วยอาการอย่างนี้เจ้าจะมีอีกไม่ได้เป็นอันขาดตัณหาราคาและออรดีเอ่ยกลับไปเสเถิรพ่อของเจ้านั้นพ่ายแพ้แกเราไปแล้วจึงยุให้พวกเจ้ามาอีกเราจะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อเจ้าเป็นอันขาด ไม่ยอมบานไหวไปตามความย่อยุนเป็นอันขาดแน่แล้วเมื่อพระอาทิตย์ยไม่ทันอัสดงคตเดียวพระมหาบุุษก็ทรงชนะมารพร้อมทั้งบริวารของมารโดยเด็ดขาดได้พระนามว่าพระผู้ปิชิตมารนวลประราชนาการไปพระองค์ก็มีพระหฤทัยแน่แ น, แน่เพื่อบรรลุพระผู้ที่ยานต่อไป ร้ายไปรบกวพระองค์ด้วการรู้ถึงความจบในหัวหลังได้สอนสิ้นไปล้วโดวยสิ้นเชิงความสงสัยยงแย่ในทิ้งที่พระองค์ทรงสแสวงและวิธีซึ่งพระองค์ทรงกระทําการสแสวงก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกต่อไปในท่าทางความเป็นสมาธิอันแน่วนเน่สุบเงียบแห่งพระอริยไตรของพระองค์ซึ่ง บัดนี้ได้รวมกําลังพุ่งกระสู่สิ่งซึ่งมุงหมายแต่ประการเดียวและมีอนุภาพแหจิตซึ่งประกอบด้วยกําลังมหาศาลบัดนี้ได้รวมกําลังพุ่งไปเพื่อทํานายอาวิชชาอย่างเดียวแล้วนัณที่นั้นซึ่งพระองค์ไปประทับนั่งคือโคตุนโพตุ้งนั้นเองพระสิทธะโคตมะผู้สมณะสักยะบุตร ได้ต่ะรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าพระโคโดนพุทธผู้ซึ่งไดนนำแสงสว่างแห่งสัจธรรมมาสู่ชาวโลกทุวปวงแห่งโลกนี้ซึ่งกาลังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อบัดนี้ทุกทุน้า กันข้ามจากชนที่หลายอื่นซึ่งความแจ่มแจ้งของเขาก็คือความวนอยู่ในที่มืดชนิดใดชนิดหนึ่งบัด น, นี้พระองค์ทรงตื่นจากหลับตรงกันข้ามจากความตื่นของคนเหล่าอื่นซึ่งความตื่นของเขาเป็นเพียงอาการของการละเมอเพ้อฝันบัดนี้พระองค์ทรงประกอบไปด้วยความรู้อันต่างจากความรู้ของคนเหล่าอื่น ซึ่งที่แท้ความรู้ของชนเหล่านั้นเป็นเพียงความวงมงายชนิดใดชนิดหนึ่งเท่านั้นนับแต่การนี้พระองค์ได้รู้แจ้งแทนตลอดในความหมายอแท้จริงของชีวิตอย่างทั่วถึงตั้งแต่มงลราขึ้นไปทีเดียวบัดนี้พระองค์ได้ทรงทราบว่าทำไมมนุษย์เราจึงต้องเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่ายลอยู่เร่อยไป แต่ทรงทราบว่าท่านอย่างไรมนุษเหล่านั้นจักทาความทุกทรมานทุกการเกิดและการตายนี้ให้สิ้นสุดลงได้ ท่านพระองค์ได้ทรงเห็นอย่างชัดแจ้งด้วยยานอุป้าของพระองค์ณที่ประทับภายใต้ต้นโพในคืนนี้นั้นก็คือลำดับอัอายุยืดแห่งการเกิดและการตายของพระองค์ตลอดกลับเป็นอันมากว่าได้เคืนทรงเกิดเป็นสัตว์ที่มีรูปกายต่างๆกันมาแล้วทุกชนิดได้เคืนมีชีิตต่างๆกันมาแล้วครบทุกแบบทั้งอย่างต่ำและอย่างสูง ทั้งอย่างในรและอย่างประเสริฐทั้งอย่างยากและอย่างประนีจนกระทั่งการเกิดครั้งสุดท้ายในซนนี้กําเรืจดเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะและพระานางมหามายาลีความห็นแจ้งในขอน้อนี้เรียกชื่อว่าตุพียงวาษสาลุสติยาน ดุญานอะเลก่าต่อไปอีกก็ได้ทราบถึงข้อที่สัตว์ทั้งหลายได้เกิดมาและตายไปและไปเกิดในที่อื่นอีกตามแต่กรรมที่ตนได้กระทําไว้โดยลักษณะอย่างไรพระองค์ได้ทรงเห็นชัดซึ่งคนบางจำพวกได้เกิดเป็นคนมีความสุขเพราะกรรมที่ตนทําไว้นั้นเป็นกรรมดีและคนบางจำพวกเกิดมามีความทุกข์ พระกรรมที่ตทนทาไว้ดัเป็นกรรมชั่วพระองค์ได้ทรงเห็นชัดว่าทั้งหมดนี้เป็นพระกรรมของสัตว์นั้นเองหาใช่สิ่งอื่นใดที่ทำให้เกิดเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกความเห็นเจ้งในลักษณะที่นี้เรียกว่าจุติปปารยาน Thank you. ประสงค์ในคืนสําคัญนั้นคือพระองค์ได้ทรงทราบและทรงเห็นอย่างชัดแจ้งปราศจากความสงสัยอย่างสิ้นเชิงว่ามันไม่เป็นการถูกต้องปลอดภัยแต่อย่างไดในการทีร่มนุษยเราจะปล่อยชีวิตนี้ให้เป็นไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและว่าไม่เป็นความดีแต่อย่างไดในการทีร่มนุษยเราจำต้องเป็นผู้ซึ่งเืออดี๋สุขเมื่อเดี๋ทุก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 พระองค์ได้ทรงเห็นว่าสัพสัตวติดอยู่ในบ่วงของการเียนเกิดในโลกนี้เหมือนเนื้อติดบ่วงถ้ามะมละโมบมนเหยื่อลเล็กๆน้อยๆที่เข้าวางไว้ล่อมันและพระองค์ได้ทรงทราบ อ, อีกว่าถ้าคงเราด้่ยประสงค์จะติดในบ่วงของการเกิดที่นี้แล้วก็มีหนทางทางเดียวเท่านั้นกล่าวคือการดับเสียงซึ่งพรตะกลามต่อความเพลิดเพลินทุกอย่าง ที่เราได้พบไปเห็นและไม่ปลายตัวให้ตกจงไปสิ่งซึ่งยั่วยวนและไม่ปล่ยใจให้ไปเดินทานไปตามสิ่งที่โลกนี้มีด้วยยัย่วยวนมนุษย์ พื้ทานที่ประกอบอยู่ด้วยส่วนประกอบแปดประการความเห็นในสิ่งทั้งสี่คือความทุกข์มูลเหตุของความทุกข์การดับมูลเหตุของความทุกข์และวิธีดับมีองค์แปดเหล่านี้รวมเรียกว่าอาสวัคคย า, ยา ทุกๆสิ่งในโลกนี้แม้กระทั่งความเป็นอยู่ของผู้นั้นเอ ง, เอง่าติ้องสิ่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไ ม, มีความเป็นแฉนสารในความถาวรที่แท้จริงมีแต่จะนำไปสู่ความทุกข์เกมาอย่างเดียวถ้าหากว่าราไปหลงศิษย์พันมันอย่างใกล้ชิดความเห็นอันถูกต้องนี้ยังหมความไปถึงการเห็นว่าการทําความดีย่อมนำไปสู่ความสุข แต่การทําความชั่วย่อมนำไปสู่ความทุกข์เสมอไปทั้งในโลกนี้และโลกอื่นส่วนประกอบประการที่สองของหัทางอันประกอบด้วยองค์แปดประการนั้นเรียกว่าสัมมาสังขปะคือความมุ่งหมายอัถูกต้องความมุ่งหมายอันถูกต้องนี้หมายถึงเม่ได้เห็นสิ่งต่างๆทุกสิ่งในโลกนี้ว่าเป็นอย่างไรโดยแท้จริงแล้ว ก็ถอยห่างออกไปเสียจากการเข้าไปเมาร์มือคลุกคลีอย่างหลงใหลไม่สิ่งละกันความหมายอันถูกกล่าวนี้จำหมายถึงความไม่มุร้ายเบือดเบียนสัตว์ทั้งหลายซึ่งล้วนแต่กำลังเหลงใหลอยู่ในโลกนี้จนได้รับความทุกข์อยู่ทั้งทางกายและทางใจแต่เมื่อหมายได้อันดุจจะรักใครและสงสารแล้วช่วยเหลือเพื่อนสัตว์เหล่านั้นให้ค้่องจัดทุกข์ซึ่ง เขาคัรได้นับอยู่ให้สุดควานสามารถที่จะช่วยได้ ประกาศประการที่สามขอมมงทุทธทางการประกาศโดยองค์แประการ น, นั้นคือสัมมาวาจาได้แก่การพูดจที่ถูกต้องหมายถึงการพูดจริงพูดไพเราะพูดให้เกิดความละค่ายสามีและพูดแต่สิ่งที่มีประโยชน์กลาวอีกอย่างหนึ่งหมายถึงการเริ่มจากการพูดเท็จพูดคําหยาบพูดยืโยงให้แตกรา้าและพูดอย่างเคขา่ขา ไร้สาระส่วนประกอบประการที่สี่ของคติทางอันประกอบด้วยองค์แปดประการ น, นั้นเรียกว่าสังมากรรมตาก็คือการกระทำที่ถูกต้องหมายที่การเล่นจากการฆ่าการรักขโมยการล่วงเกินของรักของผู้อื่นในการดื่มเมามั่วซึ่งทำให้ผูดื่มไร้สติจนถึงกับทำสิ่งต่างๆซึ่งใครๆไม่ปรารถนาให้ธรรม ส่วนประกอบประการที่ห้าของคุณทางอันประกอบด้วยองค์8ประการนั้นคือการเลี้ยงชีพเลี้ยงชีพด้วยวิธีถูกต้องอันเรียกว่าสามาอาชีว์หมายถึงการประกอบอาชีพเลี้ยงชีวิตโดยวิธีที่ไม่ทำอันตรายให้เกิดขึ้นแก่บุคคลใดๆหรือสัตว์ใดๆส่วนประกอบประการที่หกของคุณทางอันประกอบด้วยองค์8ประการนั้น คือความภาคเพี้ยนอันถูกตัง้งอันเรียกว่าสำนาวายามะหมายด้วการพิจาราบังคับความนึกคิดและความรู้สึกไม่เกิดความนึกคิดชั่วทำชั่วขึ้นตนการภาคเพี้ยนทางความคิดชั่วและทำชั่วที่เกิดขึ้นแล้วให้สิ้นไปและยังหมายด้วยการภาคเพียน ทับทิโกนโพในตำบลอุรุเวลาเมือ่อ 2,500 กว่าปีมาแล้ว สุ่ฝึกได้ก็จะเพราะบุคคลผู้ซึ่งได้พยายามเป็นปีๆในการฝึกและการเจริญสมาธิออดาจนกระทั่งเข้าใจและเห็นแจ้งในความจริงของสิ่งเมื่อปลงโดยํารองเดียวกับที่พระพุทธเจา้าโดยทรงเห็นถึงกระนั้นคงทุกคนร่วมแต่ควรประพฤติในหลักธรรมสองข้อนี้ตามมากตามน้อยเท่าที่ตนจะพึงกระทําได้เช่นเดียวกัน ในบางครั้งก็จะเห็นว่าสิ่งทุกสิ่งรอบตัวเขาไม่ได้สวยนามน่ารักดังที่มันตากรดแกเขาเและในบางกล่าวเขาจะเกิดความแม่ใจว่าวันหนึ่งเขาจะละทิ้งสิ่งที่เป็นมายาต่างๆในโลกนี้และหันไปสนใจกับสิ่งซึ่งดีกว่าจริง ก, กว่าและท้าวอรนกว่านั้นได้เป็นแน่แท้สําหรับยับเั้งสามประการในตอนกลาง ของมรดกองแปประการนั้นเป็นหลักฐานที่บุคคลทุกประเภทสามารถประพฤติปฏิบัติได้เป็นความสามารถของตนทุกคนควรพยายามประกอบอาชีพที่ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลผู้ใดทั้งโดยทางกายและทางวาจาทุกๆคนควรพยายามในคสามารถที่จะพยายามให้จหลีกเลี่ยงเสียจากการพูดชั่วทำชั่วและเขา จะได้รับผลตอบเทนอย่างเพียงพอเพราะเท่ากับเป็นการแท่งฐานทางของตนเองเพื่อในวันหนึ่งเขาจะสามารถควบคุมความคิดและการฝึกติดของตนจนกระทาั่งถึงวิชาและความเห็นแจ้งอันแท้จริงซึ่งพระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบและส่งสอนไว้ซึ่งทรงเรียกว่าปัญญา Amen. Mm -hmm. มาจากการได้มองเห็นสัตว์ทั้งหลายรุ่นรนอยู่อย่างทุกทรมานโดยรอบด้านเสมอบุคคลซึ่งยืนอยู่บนยอดเขามองลงมาเห็นสัตว์ทั้งหลายโดยรอบฉะนั้น พารุณไทยของพระตถาคตเจ้าปลอดโปรงจำสายเต็มที่เบิกบานเป็นหนึ่งอุบลในสวะที่มีน้ำาสายเย็นคลี่กรีบขยายเกียงสอนเม่ได้แสงรวบียามรุ่มอรุณพระองค์ทรงรู้สึกหวนคนที่ไร้น้ำข้ามทะเลใหญ่มีเครื่องนนมารหัมมีสัตว์ ร, ร้ายนานาช น, น็ดและเตะ็มได้วยอันตรายได้แล้วบางนงพักผนเรงฟัง เหลียวดูชลมากที่ว่ายน้ำผ่านมาก็เกิดจางงดในอยากจะพักผลนและรีสั่งนั้นนานๆเพื่อเป็นอังสอนแห่งความสาเร็จหรือวิฉชนก็สนับบุคคลพยายามป่ายปีนภูเขาสูงนานยอดเสียดแน่เส้นทางระดับไป่ได้อันตรายจากแน่หินดร้ฝาดไร้เมื่อปีนป่าจนถึงยอดเขาแล้วได้รับอากาศดี เกิดความรื่นรมใจซ้ำมอ ง, างมาจากเชิงเขาเห็นฝุงตลบซึ่งเห็นสัตว์ทั้งหลายต่อสืบสนอยู่คลุกคลีอยู่เบียดเบียนกันอยู่ท่ามกลางฝุ่นั้นแล้วเกิดความกรนาพระองค์ทรงรู้สึกเหมือนคนป่วยที่เป็นโรครื้อหลังมานานีแล้วหายจากโรคนั้นด้วยความพยายามของตนเองและรู้ว่า เราที่จะเกิดขึ้น ครั้ง น, นี้ไม่อาจทิงแทพระองค์ได้อีกต่อไปโองคิดดูแต่ ว, ว่าจะทรงตาเมืสักเพียงใดอนหนึ่งบุคคลผู้ตกกลงไปในกองฐานเพลิงอันร้อนแรงโชนด้วยเปลวสีแดงและสีเขียวได้รับความเทอมานสุขเจริาได้จากความร้อนห่เพลินนั้นเมื่อลุดพ้นออกมาจากกองเพลิงแล้วยโ่ง ไ, ไปปราถนาลงไปในกองเพลิงอีก เพราะถานขาเจ้าก็ฉะนั้นโดยพ้นจากเพลงกิเลสและเพลิงทุกข์ซึ่งรวมเป็นเพลิงแห่งวัฏฏะแล้วหลุคพ้นจากไฟคือราคะไฟคือโทสะและไฟคือโมหะแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วที่พระองค์จะต้องแก่เจ็บและตายวิบาขันคือพระกายของพระองค์เป็ น, มนสมองชากไฟที่หมดแล้วคือเท่าฐานเหลืออยู่ มีแต่จะเย็นสนิดจะจุดถ้ติดไม่ได้อีกแล้วเพราะตาจะจากเชื้อไม่ต้องระหระเหืนไปนในโพรงน้ำคือสังสารันี้อีกแล้วพระองค์สศดษฐาจาป่า่คือตัางหาได้แล้วตาที่เป็นพระสัตว์ ร, ร้ายคือทุกโศกโรคภัยและพระฤาัีติดมากับชาติคือความเกิดสลดษเข้าสู่แดนอันเกษมคื อ, อ น, นิพพาน อันปราศจากความร่ารอ้อนปราศจากกลุ่มฟันและกลุ่มผู้ดีคือความวิตกกังวลและความร่ายใจและรัชที่ยารมตกาง แล้ว่มความเย็นอันเกิดจากอนุภาพแห่งธรรมได้ประสบสารติธรรมอย่างแท้จริงช่างเป็นความขายของมนุษ ย, ย์หลายสิ่งหลายอย่างที่มัวแสวงหาสิ่งอื่นอันมีผลเป็นความร่้อนทำตัางหากเล่าที่จะช่วยเชยใจให้เย็นสิริและไม่เป็นพิษกระโวนใจในภายหลังความสุขและความเพลิดเพลินใด ที่เคยสนได้รับมาเมื่อสมัยเป็นราช ก, กุมารเมื่อนำมาเทียบกับความสุขอันเกิดจากความสุบที่พระองค์ได้ทรงรับอยู่ณบัดนี้แล้วเหมือนนำเอาแสงหงายไปเทียบกับแสงการมูราเทเปความสุขเมื่อก่อนโน้นรัคนอยู่ด้วยความร่ำร้าวหลอกลวงรักคนอยู่ด้วยความทุกข์แต่ความหวานใจเหมือนความสุขของคนไข้ที่บริโภคขอสแสง แต่ความสุขของพระองค์ในบัดนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่เจริญอามิชคืออยู่ใดเลยช่าเยือเกเย็นอะไรเช่นนี้ช่าสงบอะไรเช่นนี้ช่าสุขอะไรเช่นนี